จะมีองค์ทมอื่นๆจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกอบร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำเสมอไปชานมีหลายขั้นคือแบ่งเป็นสตามแนวพระสูตรแต่เดิมบ้างเป็นหตามแนวอภิธรรมบางแห่งบ้างยิ่งเป็นชานชั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งประณีตขึ้นยิ่งประนีตขึ้นก็ยิ่งมีองค์ทำที่ประกอบร่วมประจำน้อยลงไปตามลำดับดังได้กล่าวละข้างต้นหลายครั้งตามโอกาส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 วิตกแปลว่าความตริดหมายถึงการจะลดหรือปักจิตลงไปในอารมณ์หรือยกจิตใส่อารมณ์วิตกมีในปฐมฌาน 2. วิจารณ์แปลว่าความตรองหมายถึงการฟันเคล้าหรือเอาจิตผูกพันอยู่กับอารมณ์วิจารณ์มีในปฐมฌาน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 หมายเอาเฉพาะปีติชนิดที่แพ่เอิบอาบซาบซ่านไปทั่วสารพางกายที่เรียกว่าพารณาปีติปีติมีในฌานที่หนึ่งและสองหรือในฌานที่หนึ่งสองและสของปัญจาการในองชานที่สสุขแปลว่าความสุขหมายถึงความสำราญชื่นชมคล่องใจ ปราศจากความบีบคั้นหรือรบกวนใดๆสุขมีในฌานที่หถึงหรือถึงฌานที่4ในปรญจากาศในปีติกับสุขสาหรับบางคนอาจสับสนแยกๆจึงควรทราบลักษณะที่ต่างกันกล่าวคือปีติหมายถึงความยินดีในการได้อารมณ์ที่ต้องการส่วนสุขหมายถึงความยินดีในการเสวยรสอารมณ์ที่ต้องการ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 เม <ME> ื่อเห็นหรือได้ยินข่าวหมู่ไม้และแอ่งน้ำนั้นเรียกว่าปีติอาการชื่นช่ำใจเมื่อได้เข้าพักที่ใต้ร่มไม้และได้ดื่มน้ำเรียกว่าสุข <committed> องค์ฌานที่5อุเบคาแปลว่าความวางเฉยหรือความมีใจเป็นกลางหรือแปลให้เต็มว่า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 ไม่ต้องขนขวายเจ้ากี่เจ้าการโดยเฉพาะในฌานที่สคือบริสุทธิ์หมดจดจากธรรมที่เป็นข้าศึกเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องขนขวายที่จะกําจัดธรรมที่เป็นข้าศึกนั้นอีกจัดเป็นองค์ฌานโดยเฉพาะของฌานที่สหรือฌานที่หของปัญจกไนความจริงอุเบกขามีในฌานทุกขั้นแต่ในขั้นต้นๆไม่เด่นชัดยังถูกธรรมที่เป็นข้าศึก เช่นวิตกวิจารณ์และสุขเวทนาเป็นต้นข่มไว้เหมือนดวงจันทร์ในเวลากลางวันไม่กระจ่างไม่แจม่มเพราะถูกแสงอาทิตย์ข่มไว้ครั้นถึงฌานที่สี่ทำที่เป็นข้าศึกระงับไปหมดและได้ราตรีคืออุเบขาเวทนาหนุนก็บริสุทธิ์ปุดพองแจ่มชัดและพาให้ทาอื่นๆที่ประกอบอยู่ด้วยเช่นสติพลอยแจ่มชัดบริสุทธิ์ไปด้วย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 อุเบกขาที่เป็นองชานมีอุเบกขาเวทนาประกอบร่วมด้วยคือมาทั้งสองอย่างองค์ชานที่6กเอกะกะตาแปลว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวได้แก่ตัวสมาธินั่นเองมีในชานทุกขั้นความที่จะต้องย้ำว่าอีกครั้งหนึ่งมีว่าคำว่าองค์ชาน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 เป็นปฏิปักษ์ของถีนามิทัวิจาร์เป็นปฏิปักษ์ของวิจิกิจชาปีติเป็นปฏิปักษ์ของพยาบาทสุขเป็นปฏิปักษ์ของอุทธะจักุกุจักสมาธิหรือเอกกตตาเป็นปฏิปักษ์ของกามฉันทะเมื่อทมเหล่านี้เกิดขึ้นก็ย่อมกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปและเมื่อทำเหล่านี้อยู่